ทำกันอ๋อหลวงพ่อก็มีอาคีพสอนธทมไปทั่วไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อหลายรูปหลายองค์พระสงฆ์องค์เจ้าพระเา้าโจมในทั่วทั่วไปกำลังเป็นยุคทองยุคทมสอนไม่วาดไม่ไหวที่ไหนไหนก็ต้องการ ก็จะไปตามความต้องการของผู้กระหายทำแล้วไม่ได้จุวัด แ, แต่ว่าก็แบ่งๆปันๆกันไปหลายโลกห้ายองค์ก็โดยเพราะสายงานหลวงปู่เทียนเนี่ยล่นมือในช่วงนี้ก็มีงานติดกันอยู่สองสามงาน พดอนธานีหาสระคมร้อยเอ็ดขนเชนด้วยสี่จังหวัดก็แบ่งกัดไปแล้วพวกเราก็ไม่ประมาทมันเพียงศึกษาปฏิปธรรมปลูกสติสร้างความรู้สึกตัว มีกายมีใจมีสติสติถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับต้นกล้าปลูกลงไปที่เนื้อนาต้องปลูกเอาปลูกเอาไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลอนไรจะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่ต้องไปคิดเวลาปลูกก็ปลูกเอาปลูกเอาปลูกเอาให้ได้มากมากเนอบางที ส่วนประกอบกับการปลูกต้นกล้าต้นข้าวก็ต้องมีปุย๋ยมีดินมีน้ำมันจึงจะงอกจะงามหมายถึงมีสธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาสิ่งที่ทำให้สติไม่งอกไม่งามเช่นความคิดปุ่งสอน เหมือนกับต้นข้าวที่เราปลูกลงไปมันไม่มีน้ำเส็จแล้วถ้าไปคิดอ่ะมันไหลหนีหมดของดีก็แกนไปเลยไม่งอกไม่งามไม่แตกหน่อไม่แตกกอไม่ถือคันถือท้องไม่มานไม่ฉกไม่ได้ผลก็โปล่อยให้มันคิดไปคิดไป ไม่แต่คิดทําอะไรลงไปก็ไม่แต่คิดคําตรวจเจาะความคิดอมันแห้งแล้วผุข้าวกับ น, น้ําแห้งหมดปิดซะขยันตรงนี้สักหน่อยชาวนาขยันตรงปิดน้ําขังไว้ตรงเนี้ยขยันถ้าขี้เกลียดตรงนี้เราก็พลาดแล้วพลาดแล้วไม่ได้ผลแล้วการทํานาบางทีเราไป ขี้เกียจตรงนี้เรามันชี้กัพ่อยมันชี้ไปนะเีย ว, ว่าขี้เกียจขี้เกียจ้วไม่ได้ผลนะบางทีต้นไม้เราปอกจำลองไปแล้วต้นไม้มันล้มลงมาทับต้นข้าวเราตรงนี้ก็ต้องข ย, ยันทำมันดืนไม่ได้แล้วเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเฉพาะเนาะ ของรีบหาหมีดหาขวานมาตัดออกแบกขึ้นโบกขึ้นจากทนเข้าที่ถูกทับถมตกแต่งให้มันงามขึ้นมาให้มันอย่าให้มีอะไรมาทับหมายถึงกิเลสกามราคะปฏิฆะมาณทิฏฐิมันเนี่ยมันทับทับสตินะเอาออกทันที แล้วนี่เอาออกทันทีต้องขยันตรงนี้อีกนะว่าไม่ขยันตรงนี้ก็ข้าวอาจจะไม่มีเสียเลยต้นกล้าที่ปลูกว้หายสาบสูญไปเลยเพราะว่ า, าความมรคขปฏิคขความโกรธความโลภความหลงนะบางทีก็ไม่สิงใสซ้อนนอนเจะกอเ จ, อกเจอกากระห่วงองอหอนนอนบนเนี่ยต้องขยัน ขยันดูแลรักษาขยันตรงอื่นไม่ได้ขยันแต่ว่ามุกมุ่นคนคิดอยู่ขยันไม่ถูกที่ถูกทางมันก็ไปไร่ผลเนาะแต่ถ้าเราขยันถูกที่ถูกทางน่โอ้มันมีฝีมือมันภูมิใจหน้ามันแห้งเราปิดตามเสนาเราคือมันคิดพอมันคิดไปเราก็รู้สึกเปลี่ยนความคิดที่มันหลงไปเปลี่ยนมาเป็นความรู้ น้ำกำลังไหลเข้าจ๋ามันนั่งอยู่โอโ้เรามีฝีมือนะโฮมใจโฮมใจตรงนี้มีความสุขเหมือนกันนะไปเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้นะบาทีมันเกิดละค้าเกิดหมอนะทิศถีขึ้นมาสําคัญเหมือนไหมเรียนมาเป็นความรู้นะเปลี่ยนมาเป็นความรู้นะมีความสุขความเกิดมีฝีมือตรงนี้เปลี่ยนได้สําเร็จทําเป็นทําเป็ น, ปนหรือว่าทํานาเป็นไม่ใช่ เคเฉยมันมีส่วนประกอบที่เกี่ยวกับต้นข้าวต้นกล้าที่เราปลูกไว้หลายอย่างถ้าไม่ทำตรงนั้นให้สมบูรณ์มันก็ไม่ได้รับผล ร, บรับผลอะไรการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะให้เราหลอกครอบนะหลอกครอบขอยันตรงที่ขยัน ดูแลตรงที่คนดูแลจะไปดูแลอะไรที่มันไม่ใช่จุดที่เราดูแลเราชํานาญในการดูแลผืนหาของเองมันหามันอยู่ตรงไหนลูกหมด <c oughs> ลูกหมดเกออ็ชํชนานีชํานานนั้นคนเรื่องลูกในลูกคนที่หนึ่งได้ปริญญาตรี ชำนาญในการเลี้ยงลูกหรือลูกคนที่สองได้ปริญญาโทรหรลูกคนที่สามได้ปริญญาเอกชำนาญในการเลี้ยงลูกเอามาเอามาเอามาให้กูไดนไม่ไกลตาไก่หูของพ่อของแม่เรามั่นใจใครๆก็ไม่มั่นใจเท่าตัเราถ้าเราได้อุ้ม ล, ลูกถ้าเราได้ป้อนข้าวถ้าเราได้ให้นมเราได้ดูแล ต่างๆมันก็มั่นใจ <c oughs> จํนานี้ชํานานการปฏิบัติธรรมในความมีโอกาสชำเน้ชํานานเมื่อมีความชํานานแล้วแรงอาจจะไม่ออกแรงเท่าไหรมันมีปัญญาไปในตัวคนชาวนาบางคนเวลาปักดำในมือจะเดินไต่คนาขี่มือโคงการวนนั่นปักดำตรงนั่นปักตรงนี้นามแปลงนั่นปั้นคนาตรงนี้ เอาหน้าไม้นันวางโครงก่อนเลยเมื่อปักจังแบบนี้แต่ขี้มือนี่ญาติหลวงพ่ อ, อพ่อกำนันเป็นน้องน้องพ่อของแม่หลวงพ่อไม่ค่อยทำไม่ค่อยทานาให้หมลูกๆทำนาเดินไ ป, ไป น, น่ขี้ไปตรงนั้นขี้ไปตรงนี้ ลูกๆก็หัวเลาะคนใหญ่เลยขี้คนเดียวนั่นแหะขี้ไปขี้มาขี้ไปโน่นขี้ไปนี่พูดอยู่คนเดียวอโครงการอะเยอะแยะการปฏิบัติทำนี่ก็เหมือนกันบางทีมันก็โครงการจะทําให้ได้จะทํะาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เวลามันหลงหทําไมมันหลงทําไมมันหลง ล้วมันสุกคนทุกเอออย่างนี้ดีเอออย่างนี้มันไม่ดีอันนั้นมันความหลงมันทำความเพียรไม่ใช่ความรู้สึกตัวบาทีกิเลสมันทำความเพียรก็มใไอ้กิเลสมันสั่งมันสั่งให้ขยันก็ขยันมันสั่งให้ขี้เกียดก็ขี้เกียดมันสั่งให้หยุดก็หยุดมันสั่งให้ทำก็ทาระวังให้ดีดีบางที อ่านอนุ น, นอ่าอันนี้ดูดีๆให้มันเรื่องบริสุทธิ์เฉพาะเรื่องมีสติจะหยุดก็สติจะทำก็สติหัดฝึกหัดฝึกหัดมันเบาๆนะถ้าทำถูกผมรู้สึกตัวมาเบาๆกายละหุตาจิตละหุตาความเบากายผมเบาจิด การเดินจะคมเนี่ยเบาต่้มีส่วนประกอบไม่ไดีคนหนักยากนะฝืนหรือทวนกระแสะบุกบืนมนดำคขําเครียดไม่ใช่ระวางอะไรให้มันเหมาะสมสัมมาทิฏฐิสัมมากรรมมันตาสัมมาวายามาความเพียร ช, ชอบการงานชอบความตั้งสติไว้ชอบ ลึกชอบอะไรต่างๆมันมาทำให้เบาพลังร่วมเรื่องทุนแรงที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราทำความเพียรของอยากเป็นง่ายของหนักเป็นเบาได้เหมือนกันความรู้สึกตัวเนะ่ยมรู้สึกตัวยิ่งพวกเรามาประกอบเนี่ยอย่างเรามีสติเห็นกายในสำเร็จ เกอไปเทหนังลูกมันสำเร็จถึงเก่งสิบสี่จังหวะสิบสี่ลูกนะ่ะว่มันเกิดเวทนาขึ้นมาเห็นเวทนาเนะี่ยเห็นเวทนาเนะี่ยบางคนก็เป็นสุขเป็นทุกข์นะเห็นเวทนานะี่มันน่าสงสารสงสารเวทนาด้วยสงสารกายที่เป็นลูกที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์กับเวทนาสงสารจิตใจที่มันเป็นหลงสุขหลงทุกข์กับเวทนานะ่ย มันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่ว่าเวทนาลวนล้ว น, วนมันเป็นปัญญาไปในตัวขณะที่เห็นเวทนาเนี่ยมันไม่ลงโทษเราเลยมันกลายเป็นปัญญากลายเป็นความเมตตาการาุณาสงสารกายที่มันมีเวทนาสงสารจิตใจที่มันมีเวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็เจียวข้องความเมตตากรุณาสงสาร สงสารตัวเองที่มันหลงสงสารตัวเองที่มันทุกข์สงสารตัวเองที่มันโกรธฮะมันก็ตื่นรือร่นนะไม่ใช่หลงหรอกไม่ชอบอันนั้นไม่ใช่แต่ไม่หลงหอเออชอบอันไม่ถูกหรอกมันเป็นปัญญาทั้งหมดเลยการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยนะดูดีดีอ <c oughs> ันนี้เทวบทเรียน ส่วนประกอบขณนะที่มันหลงมันไม่ใช่หลงรุ่นรุ่นความหลงสำหรับผู้ที่มีเพียรมันก็มีเพียรมันก็มีศรัทธามันก็มีสติมีเพียรยังไงเปลี่ยนความหลงเป็นความหม่หลงไม่ท้อถอยมีสติรู้ขณนะมันหลงมีศรัทธา ต่อความรู้สึกตัวหรือว่าความหลงมันไม่ใช่มิตรของเราไม่ใช่มิตรสติเหมือนตอน้นใ้มันทับต้นกล้าหรือกิ่งไม้แห้งๆมันเักลงมามันทับต้นข้าวเราต้นหนึ่งสองตอน้นชาวนาจริงๆเขาจะไม่เฉยเขาจะต้องลงไปเอาไปโยก อ, อกลรลูปต้นข้าวขึ้นมา ว่ามันยังล่มอยู่มันแแบบอ ย, บอยก็เอาอะไรไปปักเทียมเทีย ม, มไว้ให้มันยืนขึ้นบ้างมันมีเพียรตรงนั้นมันมีศรัทธาตรงนั้นมันมีความรักตรงนั้นมันมีความเมตตากรุณาตรงนั้นด้วยสำหรับชาวตายจริงจริงได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคิดถึงด้วยคิดถึงนาคุโลกกร้ห่แห้งหรือเปล่าเน้ะไม่ได้ไป เออมอะไรนะ้อเสียหายอะไรอย่างนะ้อไปเดินไปไหนมันวิ่งแล้วนะศรัทธาเนี่ยโอ้ยมันมนแรงนะเหมือนผู้ที่ปลาลูกความเพียรเนี่ยนะก็จ่องอยู่สเสมอโดนะยเฉพาะการปฏิบัติทำความเพียรการเจริญสติมันไม่ไกลเหมือนกับทำนาด้วยมันอยู่กับเราจริงๆ สารพัดประโยชน์สารพัดนึกแก้วสารพัดนึกนะชีวิตของเราเนี่ยเอามาสิเอามาสร้างความรู้สึกตัวเอาความหลงนะมาสร้างความรู้สึกตัวนี่แหลก้วสารพัดนึกเอาความทุกข์เหลือแต่มันมันมีที่เรามันย่ำยี่เราเอามาเป็นความรู้สึกตัว น, ะนี่สารพัดนึก มันน่าผาคภูมิใจเวลาเรารลบขวมเพียรเวลาเราเจริญสติมันก็ได้มักได้ผลเ ป, เป็นกรอบเป็นกรมไปเรืเ่อยๆไปนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปอ้างโน่นอ้างนี่ร้อนโน่นล้อนี่ไม่มีเลยอยู่กับเราอยู่กับเราสิทธิหน้าที่ อะไรก็ตามมันอยู่กับโหลผิดก็ เ, เรื่องของเราถูกก็เป็นเรื่องของเราทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราสุขก็เป็นเรื่องของเราแต่คนอื่นบางทีก็ก็ ก, ก็ก็ช่วยได้บปลงเวลามันหลงะแต่ว่าถ้าคนอื่นช่วยแต่พื้นตะพือมันอ่อนแอนะนต้องงานตรวจสอบหมัอนดูแลตัวเองบางทีมันหลงมันผิดมันก็ก็ช่วยตัวเองเสียก่อน อะไรที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาคอยชงเอ๋ยชง อ, อ้อ น, นันก็ไม่ได้ต้องช่วยตัวเองก่อนอความผิดเป็นครูผมรู้เป็นตาความชั่วเป็นตีชั่วดีเป็นตาอะไรทัานว่าไว้เราก็เห็นตรเองเห็นเาเองเห็นเราเองเวลาเราปลาลบความเพลียนะไม่มีตรงไหนนี่ลับรถ้าว่ากินเลทมัน ไล่จริงๆมันก็โง่โง่มันไม่ฉลาดอะไรหรอกมาแบบโง่โง่เห็นสันหลังมันอยู่ไม่รับไม่ลีแล้วมันก็ไม่มีสตราอาวุธอะไรแต่เราดูมันจริงๆทำย่อมชนะอธรร ม, ธรร ม, ธรรมอธรรมคือกิเลสธรรมคือปัญญาสติปัญญานะมันมาโง่โง่ ความหลงก็มาโง่โความทุกข์ก็มาโง่โงความโกรธก็มาโง่โอ่มาแบบไม่รับไม่เลี่ยอะไรเราก็ดูเอาเหมือนยยงเจ้าซุกสนทีม่มันตะกะตะกามากัดเรามันไม่ระวังตัวถ้าเราอยากฆ่ามันก็ตายโอา้ตายเอาบางทีถ้าจะจับมันก็ให้มันกัดสักหน่อยแล้วก็แล้วก็เอามือไปจับมันเลย หรือเหลือบเหลือบบางบางบางบางอย่างเนี่ยมันโง่โง่มากเลยนะอย่างเหลือบเหลือบเหลือบเลยเหลือบหรือเหลือบนะเหลือบยุงเลยเหลือบหรือเหลือบอ่าวไปอยู่สารลนะเหลือบกวงเหลือบกวงตัวแปะแปเนี่ยพอเวียนป๊บจับป๊บเลยดูท่าเดียวเลยจี้เข้าไปเลยเอามือรู่บวกไม่อยากออกต้องเอามือไปบีบ ดึงออกมาอ่ามันก็ต้องเก็บตัวเรกวากลัวที่ดึงออกมาถ้าจะบีบให้มันตายก็ตายบีบมันออกมาทิ้งออกไปคานก้อมก่อมไปเนี่ยสมําหน้ามึงบอกอมไม่รู้จะมนุษย์จะคนหรือเขามีปัญญาเขาม่มือมันมาแบบไม่รู้หรือไม่รู้หรือค่อยๆก็บอกว่าความหลงที่มันเกิดกับเราเนีย่ยมันก็กถ้าตายมึงไม่รู้จะ ก, กู้หรือ พูดกับความหลงพูดกับพิเลตมึงไม่รู้จะ ก, กูหรือเนี่ยในเรามนุษย์นะเนี่ยเนี่ยพระนะเนี่ยอมันมาไม่ได้หรอกนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเวลาใดที่เอาชนะความโกรธเวลาใดที่ชนะความทุกเวลาใดที่เชนะกิเลตตันหาเนี่ยโอ้มันเป็นฝีมือนะ <c oughs> มีฝีมือมัน <c oughs> ถ้าโคามใจเราก็เคยเคยชนะ ไม่มีแ พ, พร่นนะปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยการฝึกตนให้เป็นนักลุบเนี่ยการเจริญสติเนี่ยเหมือนเขาฝึกไก่ชนเขาฝึกไก่ชนเนี่ย <c oughs> เราจะต้องเอาไก่ของเขาไปชนกับไก่น้อยๆจะก่อน <c oughs> <c oughs> พอชนที่ใก็ชนะทุกทีชนที่ใก็ชนะทุกทีชนะสึก สองสามสี่ตัวเราไปมาไ ม, ไม่ย่อมแพ้ใครหรอกเขาฝึกนะเราก็เหมือนกันความหลงนะ <c oughs> มันเปรียบเทียบกับความรู้สึกตัวพอดีพอดีทำใหม่ม่นะ่ะมันพอดีกันอาจจะอ่อนแอกว่าความรู้สึกตัวด้วยซ้าไปความหลงนะเป็นความโกรธก็าอาจจะเสมอกันกับความรู้สึกตัวถ้าความรู้สึกตัว ยังมีพลังน้อยๆใหม่ๆฝึกใหม่ๆพอเทีมก็ลากไปถังความคิดที่มันครุกเข้าไปด้วยอารมณ์เปิอะเื่อนอะไรมาเทียมก็มากเลยก็ลากเราไปที่เกิดยามหอบเสือหอบหมอนหอบกระเป๋ากลับบ้านเลยนี่มันกินมันมันมันมันหนักนกันมนสมัยงานมาแล้วหลวงพ่ออยู่วัดปาสุขโตเนี่ย ในพระลูปนั่งถือพายบาตรพายย า, า, า, า, า, ามมามาขออยู่ด้วยค น, นอำเภอหนองสองหง้องโอ้ดีดีดีผมก็อยู่องเดียวมาอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้คิดไว้นานแล้วตั้งใจจะมานานแล้วแต่ไม่ได้มาสักทีตัดเส้นใจมาดีดีนี่คุยกันไปคุยกันมา ว่าเอาหอยามาสูบโุ้ยที่นี่เขาไปสูบยานะไปสูบยาเนี่ยที่นี่เขาไม่สูบบนะุหรี่นนะแล้วพ่อก็ลูกไปเอาบอว่าเขาหอยามาสูบลูกไปเอาเสือเสือก็ก่อไปก็สอดไปกับกับต่อมกับเชือกแล้วเอาเสือมาจะปูให้เขานั่งพอก็ เอาเสือพูไปงูเขียวงูเขียวมันอยู่ในเสื อ, าาอพอเูเอาหาว่อหลงพ่อนเอางูไปใส่เขาโอ้ยทําไมางูมาใส่ล่ะเนี่ยเราคุยกันไปคุยกันมาผมไปเล่นบ้านนิ่มจังหน่อยกันน่อยไปบ้านพ่อข่วงค่ําแล้วก็ยังไม่มาก็ตามไปดูโอ้จุด ดองกอไฟนอนอยู่ใต้เล่าโยมหลด น, นไปเรียกมาก็ไม่มาเพียงบุรีเนี่ยเพียงไม่ให้สูบบุรีเนี่ยอ่อกันใหญ่เลยเนี่ยมันลากไปน ะ, ะแรกก็ตั้งใจจะมาจูด้วยพอท่วงนิดเดียวที่นี่ไม่สู่บุรีอ่อยกันเลยนะไม่ไม่เอาเลยมันมันก็ลากไปได้สติยังไม่มี นิโคตีนบุหรี่ที่มันเคยหิวมันเกิดขึ้นมามัเอาไม่ได้ละถ้าถ้ายังไม่ฝึกตนเองหลวงพ่อก็เคยฝึกมันกันเคยติดบุหรี่มาบม้างเกิน <c oughs> ถ้าจะไปอดซึ่งหน้าเนี่ยมักจะไม่ได้เพราะว่าการเอาชนะบุหรี่มันเห็นทุกเห็นรูปเห็นน้ำสงสารรูปสงสารนามนะไม่ได้อดสักหน่อยเลยโอ้โอันนี้มันดีนะ ปัญญาคนหมอให้อยาแก้ไข่แก้ปวดใจแก้แพ้เนี่ยไม่ต้องไปเกาพันแก้คันพอให้สินยาแก้แพ้ลงไปน่ะวปั๊บเดียวหายคันไปเลยนะอันนี้ก็โอสถดธรรมะที่เป็นปัญญาที่ไปเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเห็นรูปทุกเห็นนามทุกในสงสารลูกบุรีนี่หลุดไปเลยไม่ได้อุดเลย เวลาสู้เลยดินี่โคตีนมันหายไปไหนไม่รู้ตัวปัญญาตัวปัญญาแต่ก่อนโหใจด้วยเหนื่อยด้วยหลายอย่างที่มันหิวบุหรี่มันอดนะต้องอดต้องทนกอดฝันสู้พอมาเห็นรูปทุกน้ําทุกเนะี่ยโอ้ยไม่ได้อดสักหน่อยเลยมันหลุดไปเลยมันหลุดไปเลยอย่างนี้ เรียกว่าปัญญาขนส่งนะ้าไปอดโตตัวตัวเนี่ยไม่ได้เหมือน <c oughs> ไปอยู่คอนเจนรเขาน้องชายติดเฮโรอีนมาให้ก็ก็ตรวจกระเป๋าได้เฮโรอีน สองหลอดเขาขอยึดไว้เขาก็บอกว่าผมก็มีเท่านี้ยหลวงพอ่อผมก็เอามาเพื่อมันจะไม่ไหวผมก็ขอให้หมดสองหลอดเนี่ยผมก็เลิกแล้วไม่ได้แร้วจะทํากับผมยังไงหักเลยหยุดเลยว่บอกว่าหยุดเท่านั้นชกไปเลยล้มล ง, ลงที่สาวก็ต้องแบบกอดเอาไว้กอดน้องไว้ น่าซีดไปเลยชกไปเลยมันมันมันไม่ไหวบางที <c oughs> มันบางทีก็เขาบอหักดิบเพียงต่ว่าหักดิบไปเลยเขาก็กลัวแล้วบางทีถ้ากำลัง <c oughs> <c oughs> ความเพียรสติไม่มีเนี่ยมันแพ้แต่พื่อเถื่อนนะ อ, อะไรไก็ตามเธอขนาดนี้เรามาสร้างสติไปก่อนอย่าไปมองว่าจะสู้ได้หรือเปล่า เกล็พนหาตัณหาลอยแปดโอ้ยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วที่จะสู้เรื่องนี้ได้เราเนี่ยวันกิเลสหลายกิเลสหลายตัณหามากสู้ให้ได้ดอกไปคิดแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่ไปคิดมาทําเลยมาประกอบมาประกอบมาเจริญสติเข้าไปแล้วเอายกมือลู่เอารู่เอารู่เอารู่เอารู่เอารู่เอารู่เอาไปเลยวันเราปักดำนาคลาดนางานใหญ่ เราว่าก้มดูเราจับปัดข้าเราสองคนโอ้จะเสร็จไหมเนาะวันนี้เนาะดูกำลังคนกับดูงานนาที่เราคาดเราไถ่าไว้จะเสร็จไหมเนาะอจะเสร็จไหมเนาะอจะไหวหรือจะไหวหรือเนี่ยไม่ได้ล้วถ้าไปคิดกันนั้นเอาจะไปคิดแบบนั้นไม่ต้องดูมันปักลงไปปักลงไปปักลงไปปักลงไปขอให้เร่งปักเอาปักเอาปักเอาปักโอ้ยมันเสร็จเมื่อไรไม่รู้นะ งานมันก็สร้างงานไว้เรื่อยๆไม่ใช่คิดการปฏิบัติทําไม่ไม่ได้สอนให้คิดเอาเหตุเอาผลเป็นการกระทำล้วนๆเป็นการกระทำล้วนๆ ล, ลงมือสัมผัสเข้าไปสัมผัสเข้าไปอะไรที่ไม่ใช่สติเปลี่ยนมาเป็นสติเปลี่ยนมาเป็นสติอย่าไปหารายละเอียดจับผิดจับถูกมากเกินไป ไม่ใช่จับผิดจับถูกเอาเหตุเอาผลไม่ใช่กรรมกรรมฐานที่ตั้งของการกระทําก็บอกตรงๆอยแล้วฐานก็มีอยู่แล้วไวน้นนี้นิมิตเนี่ยเคลื่อนไหวไปมาเห็นจงจงให้มันลู่อยู่ให้มันลู่อยู่ให้มันลู่อยู่อันนี้นะปฏิบัติธรรมนะี่ยหลวงพ่ก็มั่นใจจริงๆว่าต้องพบเห็นตรงสัมผัสกับธรรมะ เพมันไม่รีลับอันธรรมะนี่ก็ได้แล้วก็เป็นขอบเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลตั้งแต่เริ่มต้นสร้างสติมันก็มีสติแล้วสติมันก็ไปเห็นความหลงไม่เคยเห็นความหลงโดยเฉพาะความหลงที่เกิดจากความคิดความคิดที่มันหลงะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นความคิดตัวเองเลยพอทําไปทําไปเห็นนนท์เห็นนี่มาฉายให้ดูเห็นความคิดตัวเองเนี่ยก็โอ้ ก็ตื่นรูลดมืนกันน่ะเห็นความคิดเนี่ยโอ้ยมันคนละอันกันอันนั่งอยู่นี่มันก็อันหนึ่งแล้วมันเป็นกายมันเป็นลูกอันที่คิดไปโน้นมันคือความคิดน่ะมันดึงไปได้มันมีพลังเหมือนกันพอรู้สึกตัวกลับมากับฐานกับนิมิตที่ตั้งไว้เนี่ยมันก็หยุดได้เนี่ยมันก็หยุดได้อันนี้หละเห็นชัดเห็นงานเห็นการ เรียกว่าเห็นงานเห็นการได้งานได้การเป็นการงานชอบตรงเนี้นะพอมันรู้มันก็หมดไปยงเก่งเหนความคิดที่มันไหลที่มันคิดไปต่างๆานาแล้วมันก็มันก็เปื้อนมามันเป็นนิสัยด้วยอันความคิดที่มันเคยคินในเรื่องต่างๆนะพอมาห้มันรู้สกตัวมันก็ไม่ยอมมันก็แสดงออกมา ก็ได้งานได้การมาเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตอมันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆสนุกลเลยปะนะการสอนตัวเองเนี่ยมันสนุกกว่าการสอนคนอื่นแล้วมันก็ทำได้าการสอนตัวเองการเรียนรูก้กับกายกับใจเนี่ยบทเรียนที่ได้จากกายจากจิตใจเนี่ย เป็นบทเรียนที่หาหายากไม่มีใครสอนเรานอกจากเราที่จะมาดูแลมาสอนมาดูตัวเองก็เลยขยันตรงนี้ขยันสร้างจังหวะขยันยกมือเหมือนกับกวนมันถ้าถ้าไม่สร้างจังหวะถ้าไม่ยกมือไม่ปลูกสติถ้ามันคิดนั่นมันไม่มีรสชาตินะ แต่ถ้าเราตั้งไว้กับความรู้สึกตัวมันคิดไปเนี่ยตรงนี้มีรสชาติดิเห็นจังๆคาหนังคาเขาของเทจของเถือเอ่อนของกิง่งของไม่จริงมันตรงกันพอดีมันตรงกันพอดีอดแล้วตัวรูที่เราสร้างเนี่ยตัวรูที่เราสร้างเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆมันจะเห็นความหลงชัดขเก่าชัดของเก่ระหว่างตัวรูระหว่างตัวหลง ทำใหม่ใมมันก็เครื่องลูกครื่องหลงพราะเขาไปไงครพอทําไปทําไปเนี่ยมันจะเห็นความหลงนี่ชัดเจนมากนะบางทีพอเห็นความหลงชัดเจนเนี่ยทําไมทําไมใหม่มันก็ยากสู้กับความคิดพอทําไปทําไปมันสนุกมันหัวเลาะได้หัวเลาะความคิดตัวเองหัวเลาะความหลงตัวเองหัวเลาะความทุกตัวเองมั น, เ ป, นเป็นอย่างนั้นมันเจ๊งกล้าความรู้สึกตัว ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้เพียงแต่มีความใส่ใจแยบคลายความแยบคลายเนี่ยมันไม่ได้ออกแรงนะความแยบคลายความสุขขุมนะไม่ได้ออกแรงเลยมันมันแพ้ไปแล้ว ไม่ใช่ว่ากัดฟันสู้เหมือนเราทำอะไรความรู้สึกตัวนะ่ะมันเป็นความแยกคลยเป็นความสุ ข, ข้มโลภครอบเฉยๆความเห็นเป็นทั้งปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเลยการเจริญสติเนี่ยไม่ต้องรอเนาะเข้าอยู่ในไตรสิกขาไปทันทีเลยเข้าอยู่ในองค์มร ทันทีเข้าอยู่ในหลักอริยสัจทันทีลุ ย, ยตรงนี้ได้เลยเห็นปัญหาต่างๆเห็นเหตุเห็นผลเห็นหลักเห็นฐานของมันไม่ต้องไปงม ง, มงมซาๆทำไมมันจึงหลกไม่ต้องไปทำใหม่เพราะเราไม่รู้ไปนจึงหลงแ เ, เราก็กลับมารู้ซะความรู้เนี่ยเราก็สร้างได้ เนี่ยมือของเรากายเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวัด น, นิมิตเนี่ยบพะเนี่ยกายบพะสมัญญะบัพะเนี่ยเป็นเป็นธาตุเขย่าวธาตุลู่ได้อย่างพอเพียงไม่เหมือนลมหายใจนะไม่เหมือนดูลมหายใจนะนะมันตื่นมันลู่มันพอเพียงมันเหมาะมันเหมาะกับการเริ่มต้น มันเหมาะกับการเริ่มต้นที่มันได้สัตว์ได้ส่วนได้โคบงูดได้หลักแหล่งนะอันยกมือสร้างจังหวะเราก็เปรียบเทียบลองดูเราเคยนั่งเออหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมมันเวลามันพัดเข้าไปในความหลงความม่วงนะมันไม่ไม่เห็นชัดเท่ากับเรามาออสร้างสติแบบกายเคลื่อนไหวนะ หลือนตาจ้องจงยกมือไปยกมือมาป๊มันชิดไปหรือมันห่วงอย่างเนี่ยป๊บเข้าไปแต่เน้เราก็เห็นอยู่แล้วมันจ้องจงตัวนี้มีน้ำหนักอยู่แล้วมีฐานมีที่ตั้งอยู่แล้ววันเรายืนอยู่ในที่ที่ยืนได้มั่นมีอะไรมากระทบกระเทือนมันก็ไม่เสไม่สัดใส่ได้งา่ายเราจะฟันขวานแต่เรายืนไม่มั่น แรงของการฟันขวานควันมีดก็ไม่เต็มที่ไม่ไม่มีแรง้ะยืนไม่มั่นการก ร, รมฐานวิชากำมฐานันมันยืนมันม่นมั่นเวลาลราเวี่ยงไปเนี่ยกับความรู้สึกตัวนะมันจะหลงเนี่ยมันเวี่ยงขึ้นมาได้ออกแรงได้ดีกว่าไม่เหมือนกับดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะอันนี้ ไม่พูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยการกระทำที่ได้ทำมาอย่างนี้แล้วก็อยากสอนคนให้ทำแบบนี้เราก็สอนแบบนี้แล้วนไม่สอนแล้วหยุดแล้วไม่สอนจริงๆแบบอื่นไม่สอนจริงๆไอสอนไหนก็ตามต้องสอนแบบนี้สอนในประเทศไทยก็สอนแบบนี้สอนต่างประเทศก็สอนแบบนี้เพราะว่าเนี่ยมันมันเหมาะสมที่สุดเลยทุกเพศทุกวัย ะไม่ไม่จํากัดลัทธิในกายไม่จํากัดเพศไว้ไม่จํากัดชาติชันวรรณะมันเป็นหลักของสาวกนการปฏิบัติธรรมแบบนี้นะขอขอผู้เราแบบนี้นะเพราะว่าเรามั่นใจจริงๆผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติก็เอาตรงนี้ไปเลยตั้งต้นจากตรงนี้ไปเลยไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลอกผมพ่อเนี่ยเคยเสียเวลาเรื่องเหตุเรื่องผลมามาก เช่นเราเดินจงกรมโอ้เราเดินให้ลูกโอ้เราเดินให้ลูกเดี๋ยก่อนเราเดินโอ้เดี๋ยวก่อเดินนานเท่าไหร่ปักทูบไว้เอาทูบกําหนดเวลามองทูบเรืยเมื่อไรทูบมันจะหมดจะได้นั่งมันมันหลงไปโอ้ยเรามไปส่งกับกำหนดลูบไ ป, ไ ป, บไป剛剛ลูบไปลูบไปกลับไปกลับมาลูบไปลูบไปกลับไปกลับมาอ้าวก้าวไปมันก็เห็นลูบก้าวไปมันก็เห็นลูบอ้าวตัวลูบมันเกิดได้จากกายที่ก้าวไปได้จริงจริง เก้าที่เร็มก็ลูกเก้าที่เร็มก็ลูกโอ้ตัวลูกกับตัวลูกที่มันเก้าไปนะ่ยวัตถุที่ลูกกับตัวลูกที่ไป็ลูกนะ่ยมันพร้อมกันพอดีไม่ใช่คิดเอามันก็เห็นลูกเห็นนามทันทีนะ